เรื่องมัจฉริยะสนิมในใจหมายเลขก8ดมัจฉริยะคือความตรนีตรงกับลักษณะที่เราพูดกันว่าความถี่เหนียวคนประเภทนี้ภาษาอีสานเรียกว่าคนขี้ถีแต่ภาษาภาคกลางเรียกว่าคนขี้เหนียวคนหนึ่งเอาท่อนหัวมาว่าอีกคนเอาท่อนหางมาว่า แต่ก็คงเอาขี้นำหน้าเหมือนกันลักษณะหน้าคนประเภทนี้เป็นอย่างไรดูเหมือนจะทราบกันอยู่แล้วแต่จะถือว่ารู้กันแล้วไม่ต้องอธิบายเห็นจะไม่ดีเรื่องความรู้นั้นอาจรู้ผิดก็ได้รู้ถูกก็ได้ทางที่ดีที่สุดก็คือเราพยายามเอาความรู้สอบกับตำราวไว้เสมอจะได้รู้ไม่พลาด ลักษณะทางจิตใจที่เป็นมัจฉริยะนั้นได้แก่ความตีบตันใจในเมื่อจะต้องเสียสละประโยชน์ของตนให้แก่ผู้อื่นหรือแก่ส่วนรวมแต่เรื่องนี้จะต้องพยายามทำความเข้าใจให้ดีประเดี๋ยวจะเข้าใจผิดจเจ้าการไม่เสียสละหรือการเสียสละมากหรือน้อยเป็นเกณฑ์การตัดสินมัจฉริยะอาจไม่ถูกทีเดียวในตอนนี้เราเอาเรื่องจ่ายเงิน มาพูดกันเสียก่อนแล้วค่อยขยายความทีหลังว่าคนตรหนีนั้นจะตรหนีอะไรบ้างอยากจะทราบความตรหนีคือลักษณะอย่างไรจะต้องคิดถึงเรื่องการจ่ายเสียก่อนการจ่ายทรัพย์ของคนเรามีอยู่สองทางคือ 1. งทางจาเป็นและสองทางไม่จาเป็นทางจำเป็นหมายความว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องจ่าย จ่ายเสียจะดีคืนไม่จ่ายจะเสียเช่นจ่ายซื้ออาหารเลี้ยงดูคนในครอบครัวจ่ายรักษาตัวเวลาเจ็บป่วยจ่ายทำบุญตามการอันควรจ่ายเสียภาษีอากรจ่ายป้องกันภัยพิบัติแก่ส่วนรวมและแก่ประเทศชาติเหล่านี้เป็นต้นเป็นทางจำเป็นทางไม่จำเป็นคือเรื่องฟุ่มเฟือยต่าง จะจ่ายก็ได้ไม่จ่ายก็ได้บางทีงดจ่ายเสียกลับเป็นผลดีกว่าจ่ายเช่นการจ่ายในการมัวเมาเฮฮากับสุรานารีการเที่ยวเตะการดูหนังดูละครการแต่งตัวหรือประดับประดาจนเกินความจำเป็นอวดมั่งอวดมีกันเหล่านี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างทางจ่ายที่ไม่จําเป็นแต่ว่าเราจะกําหนด ตัวลงไปทีเดียวว่าสิ่งนี้จำเป็นสิ่งนั้นไม่จำเป็นอาจไม่ถูกต้องเสมอไปและผู้ที่กำหนดนั่นเองก็อาจไม่รู้ความจำเป็นของคนได้ดีพอเมื่อคราวข้าพเจ้าเป็นอนุสาสนาจารย์อยู่กองพลที่สองประจินบุรีจำได้ว่าครั้งหนึ่งมีการประชุมใหญ่สโมสร น, นทหารมีสมาชิกผู้หนึ่งหรือหลายคนจาไม่ได้เสียแล้ว ได้อภิปรายโจมตีกรรมการแผนกการค้าว่าตั้งราคาสินค้าผิดพลาดคือไปเอากําไรจากสินค้าจําเป็นในการครองชีพมากเกินไปซึ่งที่ถูกแล้วควรจะเอากําไรแต่น้อยเพื่อช่วยเหลือสมาชิกแต่เมื่อที่ประชุมรับหลักการและให้สมาชิกเสนอว่าสิ่งใดบ้างเป็นสินค้าจําเป็นสมาชิกกลับถกเถียงขัดแย้งกันเองเพียงแต่เล่าอย่างเดียว บางคนก็ว่าจาเป็นบางคนว่าไม่จาเป็นบุรีจาเป็นกว่าแล้วก็มีผู้ค้านต่อไปอีกว่าบุรีก็ไม่ใช่ของจําเป็นผลที่สุดเมื่ออภิปรายเสร็จสิ้นแล้วดูเหมือนสินค้าในสโมสรจําเป็นแทบทั้งสิน้นความเห็นแตกต่างกันทหนองนี้เตราว่าในคณะรัฐบาลเองก็เคยโดนมาแล้วเหมือนกันเช่น ในคราวที่มีการพิจารณาห้ามสั่งสินค้าที่ไม่จำเป็นเข้าประเทศทราบจากผู้ใกล้ชิดว่าได้มีการถกเถียงกันหนักในระหว่างยาทาปากกับยาทาเล็บผู้หญิงว่าอะไรจำเป็นจะเป็นการถกเถียงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือในห้องพักก่อนเข้าประชุมข้าพเจ้าก็จำไม่ได้เสียแล้วฝ่ายหนึ่งว่ายาทาปากยาทาเล็บผู้หญิง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทยควรอนุญาตให้สั่งเข้ามาอีกฝ่ายว่าจำเป็นเฉพาะยาทาปากเท่านั้นส่วนยาทาเล็บไม่จาเป็นและบางคนเห็นว่าทั้งสองอย่างไม่จาเป็นเลยควรห้ามสั่งเข้าประเทศเพื่อประหยัดเงินตราได้ทราบอีกเหมือนกันว่าเมื่อผู้ประชุมตกลงกันไม่ได้และประธานไม่อาจชี้ขาดได้ ท่านจึงโทรศัพท์ถามไปทางบ้านขอให้ช่วยชี้ขาดว่าอันไหนจำเป็นกว่ากันผู้เล่าเล่าให้ฟังว่าทางบ้านตอบย้อนมาว่าแล้วคุณล่ะชอบริมฝีปากมากหรือชอบเล็บมากท่านตอบว่าริมฝีปากเธอก็บ่นเก่งเล็บก็หยิกเจ็บพอๆกันนั่นแหละเสียงจากทางบ้านแว่วมา แล้วคุณชอบบ่นหรือชอบยิกท่านว่าเกลียดทั้งสองอย่างเลยเสียงจากทางบ้านเลยชี้ขาดว่าถ้าเกลียดทั้งสองอย่างก็หมายความว่ายาทาปากกับยาทาเล็บเป็นสินค้าจำเป็นทั้งสองอย่างเพราะผู้หญิงเราถ้าไม่มียาทาปากมันอยากบน่นแล้วถ้าไม่มียาทาเล็บก็อยากยิกมีให้ทาเสียปลอดภัยตกลงว่า ยาทาปากกับยาทาเล็บเลยกลายเป็นสินค้าจำเป็นนี่ว่าตามที่ได้ยินจากคนพอเชื่อถือได้เอามาเล่าให้ท่านผู้อ่านเป็นข้อคิดว่ารายจ่ายซับนั้นจะตราลงไปเด็ดขาดว่าสิ่งใดจำเป็นสิ่งใดไม่จำเป็นทาได้ยากแต่เราอาจจำกัดความลงได้ว่ารายจ่ายใดถ้าเราไม่จ่ายแล้วจะเป็นความผิดความเสียรายจ่ายนั้นจาเป็น รายจ่ายใดจะจ่ายก็ได้และแม้ไม่จ่ายก็ไม่ถึงกับผิดกับเสียรายจ่ายนั้นไม่จำเป็นกิเลสข้อมัจฉริยานี้คือความรู้สึกในใจที่ไม่ยอมให้จ่ายในคราวที่จำเป็นเท่านั้นจะเอาเรื่องฟุ่มเฟือยมาตัดสินไม่ได้เพื่อให้เข้าใจแน่ๆโปรโดดูภาพนี้ก่อนภาพจะเอาไว้ใต้คลิป ในภาพเป็นเส้นตรงมีหัวลูกศรทั้งซ้ายและขวาทางซ้ายชี้ไปที่เสียสละทางขวาชี้ไปที่ตรนีตรงกลางบนเส้นทางจำเป็นในทำนองเดียวกันมีอีกเส้นหนึ่งทางซ้ายเป็นมัธยัติทางขวาเป็นสุรุ่ยสุร่ายตรงกลางบนเส้นเป็นทางไม่จำเป็น นี่แหละทางจ่ายทรัพย์มีอยู่สองทางทางจำเป็นมีความเสียสละกับความตระหนี่เป็นสิ่งตรงข้ามกันส่วนทางไม่จำเป็นมีความมัธยัติกับความสุรุ่ยสุร่ายตรงกันข้ามที่แยกให้ดูอย่างนี้เพื่อจะได้เห็นตัวมัชริยะหรือความตระหนี่ชัดๆคือความตระหนี่นั้นมีอยู่ในทางจำเป็นเท่านั้นตรงกันข้ามกับความเสียสละ อย่าเอาเรื่องมัธยัติและสุรุ่ยสุร่ายมาตัดสินว่ามีมัจฉริยะหรือไม่มีเพราะมันอยู่คนละทางใช้ตัดสินกันไม่ได้จะตัดสินอะไรต้องเอาสิ่งที่อยู่ในทางเดียวกันตัดสินที่อธิบายมานี้รู้สึกจะยังป้วนเปี้ยนอยู่จะเป็นที่ว่าสมองข้าพเจ้ามันทึบลงหรือความขี้เหนียวมันพาให้วนเวียนเองก็ไม่ทราบ ขอให้พิจารณาดูตัวอย่างต่อไปนี้อีกทีอาเซียหนุ่มคนหนึ่งทําตัวเป็นคนใจกว้างเลี้ยงเล่ายาแก่เพื่อนฝูงแทบไม่เว้นแต่ละวันเช้าก็เฮเย็นก็ฮาจ่ายไม่อั้นเท่าไหร่เท่ากันเกือบจะว่าตัวไม่มีก็ถึงกับกู้เงินคนอื่นมาจ่ายก็ยอมแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเพียงแต่ขายหน้าร้านได้เงินแล้วจะปิดอากรตามกฎหมายสักสิบสตังก์ ก็ไม่ยอมเสียมันให้รู้สึกตีบตันใจขึ้นมาทีเดียวพยายามหลีกเลี่ยงด้วยอุบายต่างๆนายคนนี้มีมัจฉริยะหรือไม่โปรดวินิจฉัยดูตามพฤติการที่เล่ามานี้เห็นได้ชัดว่าแกมีมัจฉริยะเป็นคนตรณีพะหลีกเลี่ยงภาษีอากรสิบสตางค์ซึ่งเป็นทางจ่ายที่จำเป็น สุภาพชนพลเมืองดีต้องจ่ายตามกฎหมายแต่แกไม่ยอมจ่ายส่วนการเลี้ยงดูเพื่อนฝูงกินทิ้งกินขว้างทุกวันนั้นจะเอามาเป็นข้ออ้างแก้ตัวหรือหกักลบกลบภาษีสิบสตางค์หาได้ไหมเพราะนั่นมันอยู่คนละทางนั่นเป็นเรื่องไม่จําเป็นบางคนเข้าใจเองง่ายๆว่าความธรนีตรงกันข้ามกับความสุรุย่ยสุร่าย คนที่เห็นเขาประหยัดการใช้จ่ายตัดเรื่องสุรุ่ยสุร่ายออกเสียว่าเป็นคนตรนีที่เข้าใจอย่างนี้ผิดไปเอาเรื่องความสุรุ่ยสุร่ายมาตัดสินเรื่องความตรณีไม่ได้เพราะมันคนละทางถ้ายังไม่เข้าใจเชิญพิจารณาทางจำเป็นกับทางไม่จำเป็นที่ขีดไว้ข้างบนนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วจะทราบแน่ว่าอะไรมันตรงกันข้ามกับอะไร ของจะตัดสินกันได้ต้องอยู่ในทางเดียวกันเท่านั้นรวมความว่าความไม่ยอมเสียสละในสิ่งที่ควรเสียสละซึ่งเรียกว่ามัชริยะนั้นเป็นความรู้สึกในจิตใจสังเกตใจเราเองแล้วก็รู้ถ้ามีเรื่องจําเป็นที่จะต้องเสียสละเกิดขึ้นและตนเองก็อยู่ในฐานะที่จะเสียสละให้ได้แต่ใจมันตีบตันเกิดความไม่สบายใจ ไม่เห็นด้วยไม่ยอมนี่แหละอาการของความตรณีถ้าเรื่องจะจ่ายนั้นไม่ใช่เรื่องจำเป็นหรือเป็นเรื่องจำเป็นแต่เราเองไม่อยู่ในฐานะที่จะเสียสละได้เช่นเป็นคนยากจนไม่มีกำลังไม่มีทางแม้จะเกิดความไม่สบายใจและไม่ยอมจ่ายก็ไม่เป็นมัชชริยะทีนี้ จะขยายวงมัจฉริยะออกไปอีกที่ว่ามาแล้วว่าแต่เรื่องจ่ายเงินซึ่งความจริงแล้วเรื่องที่คนจะตระหนี่ยังมีอีกหลายเรื่องด้วยกันเชิญพิจารณาต่อไปตอนมัจฉริยะหในคำพีนวากานิบาตอังคุตระนิกายพระไตรปิฎกเล่ม23หน้า481 พระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องที่คนมีมัชยริยะตรณีไว้ห้าเรื่องคือ 1. อาวาสะมัชยริยะตรณีที่อยู่ 2. กุละมะัชยริยะตรณีสกุล 3. าลาภมัชยริยะตรณีลาภ 4. วันนะมัชยริยะตรณีวันนะ หธรรมมัชริยะตรณีธรร ม, มะหมายความว่าคนที่มีมัชริยะในใจจะต้องแสดงอาการตรณีออกมาในห้าทางนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหรือหลายๆทางแต่และข้อความมีความหมายดังนี้ 1. อาวาสมัชริยะตรณีที่อยู่หมายความว่าขี้เหนียวที่อยู่ ไม่อยากเฉลี่ยที่อยู่ให้คนอื่นได้รับประโยชน์ด้วยคิดดูตัวอย่างทางพระก่อนเพราะเห็นได้ง่ายพระบังรูปมีเสนาสนะพอจะเฉลี่ยให้พระรูปอื่นอยู่ได้แต่ก็ตั้งข้อกีดกันไม่ยอมเฉลี่ยพระรูปเดียวใช้ห้องเพียงห้องเดียวหรือสองห้องก็พอแต่กั้นเขตเหยียบย่าจับจองไว้มากเกินตัวไหนจะห้องจำวัดกลางคืน ไหนจะห้องจำวัดกลางวันไหนจะห้องฉันห้องเก็บบริขารแล้วยังมีห้องเล็กห้องน้อยอีกมากมายพอที่พระรูปอื่นจะได้อาศัยอยู่ศึกษาเล่าเรียนหรือทำเพียรละกิเลสบ้างก็อ้างอย่างเดียวว่าเสนาสนะไม่ว่างสำหรับพระผู้ใหญ่ที่ต้องรับภาระดูแลวัดวาอารามหรือต้องรับพระอาคันตุกะ หรือรับรองสับรุษก็น่าเห็นใจสมควรอยู่แต่ถ้าไม่มีความจำเป็นพอเพียงแต่กีดกันไว้ตากสบงจีวรให้สบายใจเท่านั้นเป็นไม่พ้นมัชยริยะในข้อนี้ในพวกชาวบ้านเราอาวสาัมัชยริยะแสดงออกในเวลาที่ใช้ร่วมกันเพียงแต่ในบ้านเรือนจะเอามาวินิจฉัยข้อนี้ได้ยาก เพราะบ้านเรือนของใครย่อมเป็นสิทธิ์ของคนนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะรับใครอยู่หรือไม่รับก็ได้แต่ถ้าคอยสังเกตดูเวลาคนหลายคนใช้ที่ร่วมกันแล้วจะเห็นมัริยะของคนอย่างเช่นคนโดยสารรถไฟได้มานั่งยาวพอนั่งสองคนแต่การเอาไว้นั่งคนเดียวตัวนั่งไม่เต็ม ก็เอาสิ่งของบางอย่างวางไว้สุดม้าข้างหนึ่งทำทีว่ามีคนจองไว้แล้วปล่อยให้คนโดยสารอื่นๆยืนห้อยโหนกันไปอย่างนี้เป็นอาวาสะมัชริยะคือคนห่วงที่ห่วงที่พักห่วงที่จอดรถห่วงที่จอดเรือห่วงที่วางของห่วงที่ตั้งหาปเปรยจนกระทั่งห่วงถิ่น รวมอยู่ในอาวาสมาตรยะนี้ทั้งสิน้น 2. กุลมัฉริยะตรณีสกุลคือห่วงตระกูลทางพระเห็นได้ง่ายแต่ข้าพเจ้าไม่อยากจะพูดประเดียวจะบาปปากเอาขอแย้มไว้นิดเดียวว่าการห่วงตระกูลอุปถากของพระกด็ดีการที่วัดบางวัดไม่อยากให้ตระกูลที่ทำบุญวัดนี้ ไปเที่ยวทำบุญวัดอื่นก็ดีเป็นเรื่องกิเลสข้อนี้ในพวกชาวบ้านเราครั้งจกักจักวงวงหรือสมัยถือไพร่ถือผู้ดีกิเลสข้อนี้ดื่นมากโดยเฉพาะฝ่ายที่ถือว่าตนมีตระกูลสูงสักมักจะไม่ยอมให้คนในตระกูลต่ำกว่าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเช่น จะทำบุญก็ทำแต่ในคนชั้นเดียวกันแม้จะมีคนที่ตระกูลต่ำกว่าร่วมโมทนาด้วยก็ไม่เต็มใจจะเป็นว่ากลัวเขาจะมีหน้ามีตาด้วยหรือกลัวศักดิ์ศรีของตระกูลจะเสียไปอย่างไรก็แล้วแต่ได้ทราบว่าผู้มีอันจะกินบางคนสร้างกุฏิถวายวัดและมีคนชาวไร่ชาวนาเอาเงินมาร่วมกุศลด้วย ทางวัดก็เอาเงินบริจาคสมทบต่อเติมบางส่วนของกุฏิครั้นตอนฉลองสมพันท่านเทศพนานาถึงผู้มีศรัทธาบริจาคทรัพย์ท่านกล่าวถึงว่ามีคนนั้นคนนี้มาบริจาคสมทบด้วยเจ้าภาพใหญ่ได้ยินเข้าเกิดไม่พอใจทำไมท่านสมพัน์ถึงได้เอาใครๆมาเกี่ยวข้องด้วยเห็นเราเป็นยังไงนี่แหละ ตรณีตระกูลสมัยนี้ความนึกคิดที่ว่าค่อยจางลงมากแล้วแต่พอจะนึกตัวอย่างได้อยู่พวกหนึ่งคือพวกหัวผู้ใหญ่จะเรียกว่าตรณีตระกูลหรืออย่างไรก็แล้วแต่คือในวงการบุคคลผู้บริหารบ้านเมืองของเราสมัยนี้มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่อยู่หลายท่านหลายซอยหลายตระกูล แล้วแต่ละท่านก็มีบริวารอีกทละมากๆเป็นผู้คอยเสนอหนังสือเสนองานเสนอตัวหรือเสนออะไรก็แล้วแต่เราเรียกกันว่าผู้ใกล้ชิดคนผู้ใกล้ชิดบางคนมีมัจฉริยะตรหนีเจ้านายคอยกีดกันคนในพวกเดียวกันบ้างคอยกีดกันคนอื่นที่จะพบปะติดต่อกับท่านผู้ใหญ่บ้างและยังคอยกีดกันผู้ใหญ่นั่นเอง ไม่ให้สนใจกับผู้อื่นอีกด้วยเว้นแต่จะติดต่อโดยผ่านตนร่วมความว่าคิดจะผูกขาดตัดตอนผู้ใหญ่เสียคนเดียวผู้ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่บางคนเคยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าในพวกคนใกล้ชิดด้วยกันนั่นเองมีการขึงห่วงผู้ใหญ่ด้วยแล้วทำจนน่าเกลียดก็มีเช่นพอท่านกลับมาถึงบ้าน ผูใกลชิดก็แย่งกันถอดรองเท้าให้ต่อดได้คนละข้างแล้วยังเอาไปซ่อนเสียอีกเพื่อเวลาท่านออกจากบ้านตนจะได้เป็นผู้นำรองเท้ามาเสนอนี่เล่าสู่กันฟังเรื่องของคนหึงหวงผู้ใหญ่อย่างนี้เาพเจ้าคิดว่าน่าจะเป็นมัจฉริยะในข้อนี้เพจตูกประการใดช่วยกันพิจารณาดู 3. ลาภมัชริยะตรณีลาภคือห่วงรายได้ห่วงผลประโยชน์นี้ก็อีกแหละพูดไปก็ต้องวนเข้าวัดจดได้ทั้งๆไม่อยากเข้าแต่ถ้ายกตัวอย่างเรื่องของพระแล้วเห็นชัดเนื่องจากพื้นเพของพระนั้นท่านมีระเบียบวินัยและมีธรรมะเป็นหลักความประพฤติอยู่แล้ว พอเกิดอะไรขึ้นก็ดูง่ายกว่าพวกชาวบ้านพระที่หวงสิ่งของไม่เฉลี่ยสงเคราะห์แก่ภิกษุสามเณรอื่นๆหรือหวงกิจนิมนต์เทศก็อาตมาเองชักผ้าป่าก็อาตมาเองรับสังฆทานก็อาตมาเองจะเป็นการนิมนต์รูปเดียวหรือกี่รูปกี่รูปก็ตามเป็นต้องนับหนึ่งที่ตนเองทุกที่ทุกงานไม่รู้จักสลากให้พระรูปอื่นบ้าง อย่างนี้เป็นตรณีลาบทางชาว บ, บ้านเราตรงกับตรณีของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยที่ถูกแล้วน่าจะเฉลี่ยแต่เล่นฮุบเสียคนเดียวงานใดที่ไม่มีผลประโยชน์พิเศษยกให้คนอื่นทำถ้างานใดมีผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษก็ทำเสียเองเข้าทํานองที่ว่าแกวิดน้ำบ่อข้าจะล่อน้ำแกง ความนึกคิดอย่างนี้ออกมาจากลาภะมัจฉริยะนี้ 4. วันณะมัจฉริยะตรณีวันณนะวันณะแปลว่าผิวหรือสีทุกวันนี้เราก็ใช้อย่างพูดถึงพวกเดียวกันว่าสีเดียวกันหรือพูดถึงคนต่างพวกว่าผิดสีกันคําว่าสีในที่นี้หมายถึงเหล่า อย่างเราทหาร<ม>เรือเราทหารอากาศบางทีก็หมายถึงหมู่คณะหมายถึงก๊กถึงพวกและหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงได้อีกด้วยที่ว่าตรณีวันะนั้นคือไม่อยากให้ศักดิ์ศรีของพวกตัวไปเป็นประโยชน์แก่พวกคนอื่นรวมทั้งการที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีมีหน้ามีตาด้วยนึกดูแล้ว อาการของวรรณมัจฉริยะนี้ก็คล้ายๆกับลาภามัจฉริยะนั่นเองตั้งแต่ว่าลาภามัจฉริยะนั้นตรณีผลประโยชน์ที่เป็นวัตถุสิ่งของส่วนวรณณมัจฉริยะนี้ตรณีผลประโยชน์ที่เป็นเกียรติยศชื่อเสียงหรือความมีหน้ามีตาอิตอนขึงม่านแต่งโรงสั่งให้เราทําเกือบตาย เพียงไปปัสสวะอึดใจเดียวก็ดูว่ามันขายหัวไปไหนทั้งวันแต่ตกบทแสดงเอาชื่อเสียงบ้างห้ามโผล่หน้ามาให้คนเห็นเป็นเด็ดขาดกลัวแฟนตัวจะใจแตกแม้ในการทำงานราชการบ้านเมืองก็เหมือนกันหัวหน้างานที่หวงดีนั้นเวลาเสนอผลงานแก่เจ้านายไม่เต็มใจจะเอ่ยชื่อถึงผู้น้อยที่ออกแรงทำมีแต่ กระผมคิดกระผมเขียนกระผมร่างกระผมพิมพ์และกระผมบางคนเป็นถึงอธิบดีแล้วอย่างอ้างว่ากระผมถางหญ้ารอบๆกลมเรียบร้อยแล้วท่านเล่นจำสรรพนามไว้คําเดียวคือคําว่ากระผมเท่านั้นเรื่องของเรื่องคือไม่อยากให้หน้าไหนมามีหุ้นกับความดีความชอบด้วยนี่แหละวั น, นะมะเชอริยะหรือ คนห่วงดี 5. ธรรมะมัชริยะตรณีธรรมะคำว่าธรรมะในที่นี้หมายถึงวิชาความรู้ศิลปะวิทยาต่างๆตัวรู้แล้วไม่อยากบอกคนอื่นกลัวเขาจะรู้ทันถึงบอกก็บอกไม่หมดบอกเบียงบายเรื่องของเรื่องคือห่วงวิชานั่นเองถ้าเช่นนั้น คนที่สอนหนังสือเพราะเห็นแก่ค่าจ้างรางวัลเขาเสียค่าเล่าเรียนจึงสอนไม่เสียก็ไม่สอนอย่างนี้จะเป็นคนตรหนิวิชาด้วยหรือไม่แล้วคนอีกพวกหนึ่งมีวิชาดีทำสินค้าขายได้เช่นรู้เคล็ดในการปรุงยาปรุงอาหารบุรีปรุงสุราแล้วรักษาไว้เป็นความลับเพื่อทำมาหากินแต่ผู้เดียว หรือไม่ก็เอาไว้ประสิทธิ์ประสทัทให้ลูกหลานได้อาศัยเป็นวิชาหาเลี้ยงชีพอย่างนี้จะจัดว่าเป็นธรรมมัชชริยะหรือไม่ทั้งสองตัวอย่างนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าจะปรับให้เป็นคนมีธรรมมัชชริยะทีเดียวดูจะไม่ถนัดเพราะมันเป็นสิทธิอันชอบธรรมของเขาที่จะบอกใครก็ได้ไม่บอกก็ได้แต่ถ้าหาก เขาอยู่ในฐานะเป็นผู้บอกแล้วแต่บอกอย่างปิดบังอำพรางอย่างตัวเป็นครูกินเงินเดือนแล้วจะปิดบังความรู้ไว้แกล้งสอนนักเรียนแต่พอคร่าวๆเพื่อขยักเอาวิชาไว้สอนพิเศษนอกเวลาเรียนถ้าใครอยากได้ความรู้อย่างดีแท้ต้องเสียเงินค่าเล่าเรียนตั้งหากอย่างนี้ไม่พ้นอุปกิเลต ข, ข้อนี้ แต่ทั้งนี้ต้องเอาเจตนาเป็นเกณฑ์ถ้าใครไม่ได้จงใจขยักวิชาไว้สอนให้เต็มภาคภูมิแล้วแต่เด็กยังอ่อนเองแล้วครูจัดกวดวิชาขึ้นพิเศษโดยเรียกเก็บค่าเล่าเรียนต่างหากอย่างที่ครูนิยมทำกันอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่เป็นมัจฉริยะแต่อย่างใดคนที่แต่งหนังสือจาหน่ายอีกพวกหนึ่งแทนที้จะเปิดเผยความรู้ให้เสร็จสิ้นก็ไม่ทา แกล้งขยักเอาไว้บอกให้ผู้อา่านไปหาซื้อเล่มอื่นมาอ่านก่อนจเจ้าเงินมากๆอย่างนี้ก็เป็นธรรมะมัชริยะเว้นแต่จําเป็นต้องทําเช่นนั้นตามชั้นเชิงของการประพันธ์เพราะเรื่องบางเรื่องมีหลายแขนงถ้าจะโละลงในเล่มเดียวหมดทําไม่ได้ทําให้เรื่องเสียทาให้เสียผลแก่ผู้อา่านอย่างนี้ก็จําเป็น ที่ว่าขยักไว้คือเจตนาเอาประโยชน์เข้าข้างตัวทำโทษแก่ผู้อื่นเท่านั้นจะพูดให้จบก็ได้แล้วดีด้วยแต่ไม่พูดจเจ้าเงินอีกเหมือนต้มยำปลาช่อนต้มหมดทั้งตัวก็ได้แล้วอร่อยดีด้วยแต่ไม่ค้าเล่นรู้มากไปขยักเอาพุงมันไว้ต่างหากจะให้คนกินซื้ออีกทีเล่นไม่ซื้อนี่ ของมันรวมกันได้แล้วไม่รวมผิดการแต่งหนังสือก็เหมือนกันนักแต่งที่ซื่อตรงต่อผู้อ่านไม่มีธรรมะมัจฉริยะจะต้องปรุงเรื่องให้ได้รสสุดขีดในเล่มเดียวจนได้ถ้าแกล้งขยักไว้เพื่อเอาเงินคนอ่านเป็นธรรมะมัจฉริยะแน่รวมความแล้วอุปกิเลสลำดับเจ็คือมัจฉริยะความตรหนี ความหวงความใจแคบขาดน้ำใจเสียสละในห้าเรื่องใหญ่ๆที่ว่ามาแล้วถ้าจะมีอาการของจิตยอย่างอื่นเกิดเป็นปัญหาขึ้นว่าจะเป็นมัจฉริยะหรือไม่ก็ขอให้ท่านผู้อ่านพิจารณาอนุโลมกับมัจฉริยะทั้ง5้านี้ดูถ้าอนุโลมเข้าข้อใดข้อหนึ่งอาการนั้นก็เป็นมัจฉริยะถ้าอนุโลมไม่ได้ก็ไม่ใช่อาการของมัจฉริยะ ตอนโทษของมัจฉริยะพระเจ้าคิดว่าไม่ได้แจกแจงลักษณะของมัจฉริยะทุกแง่ทุกมุมแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องพนนนาซ้ำอีกว่ามัจฉริยะมีโทษหรือทำให้คนเสียหายอย่างไรบ้างเพราะความในเรื่องที่ว่ามาแล้วนั้นบ่งให้เห็นโทษอยู่ในตัวมาเป็นตอนๆแล้วขอสรุปเพียงว่า อุปเลเรตข้อมัจฉริยะนี้เป็นเิเลตทำให้คนตายด้านไม่อาจทาคุณแก่ใครเมื่อสิ้นชีพก็สิ้นชื่อถ้าจะเปรียบมัจฉริยะก็เหมือนตัวหนอนหรือเชื้อเน่าที่ทำให้มเมล็ดข้าวดีเป็นมเมล็ดข้าวเสียทำให้มะพระ้าวไม่งอกหนอ่อทำให้มเมล็ดมะม่วงหมดเชื้อที่จะงอกได้คือตัดตอนที่เจริญเติบโตต่อไปภายหน้า ชาวนาเกลียดข้าวรีบฉันใดชาวโลกก็เกลียดคนตรนีฉันนั้นตอนแก้มัจฉริยะเมื่อรู้ว่ามีมัจฉริยะในจิตใจก็ให้แก้ด้วยการเสียสละการบริจาคและการให้คือหัดให้อะไรแก่คนอื่นเสียบ้างแม้ว่าจะต้องฝืนใจทำเพราะการให้นั้นจะเป็นการคลี่คลายมัจฉริยะในใจเรา ให้เบาบางลง